การฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาหาประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทำที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับส ้ากำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้4จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง5จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังธรมจะได้รับ การฟังธรรมจึงถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีความสําคัญเท่ากับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้เป็นความจรงิงดังในบทสวากขาโตภะวตาธรรมโม ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงความรู้ที่พวกเรารู้กันนี่ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ยังไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ และนำมาสั่งสอนพวกเราเป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงนี้คืออะไรก็คือร่างกายของเราที่เราเรียกว่าตัวเราของเรานี่อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นของดินน้ําลมไฟเป็นของธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟส่วนเราก็ไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นธาตรู้คือใจดังนความจริงแล้วร่างกายกับใจก็คือธาตุ ร่างกายก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอมารวมตัวกันก็ทำให้เกิดมีอาการสามสิบสองขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามีหัวใจมีตับมีไต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 สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆด้วยความคิดนีเองเราคือความคิดเราคือผู้รู้ผู้คิดเราคิดแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดอะไรเราจึงเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายด้วยการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาสัมผัสกับร่างกายหรือสัมผัสกับตาหูจมูกดินกายนี่คือเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาเกาะร่างกายผู้มาใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายเป็นของดินน้ําลมไฟดินคืออะไรดินก็คืออาหารข้าวนี่มาจากไหนข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์เนื้อปลาก็ต้องกินข้าวกินผักถึงจะเป็นถึงจะมีเนื้อสัตว์เนื้อปลาให้เรามากินอีกทีนึง พอเราเกินก็เท่ากับเอาธาตุดินเข้ามาสู่ร่างกายน้ําก็คือธาตุน้ําก็คือน้ําต่างๆที่เราดื่มกันน้ําแกงน้ําผลไม้น้ําเปล่าน้ําชากาแฟสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุน้ําที่เราเอาเข้าร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่อง ร่างกายนี้เป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนของร่างกายเหมือนกับโรงงานของรถยนต์โรงงานของรถยนต์นี้ต้องมีชิ้นส่วนป้อนเข้าบ่อนไปที่โรงงานถึงจะผลิตรถยนต์ขึ้นมาได้ต้องมีชิ้นส่วนเช่นมีเครื่องยนต์มีล้อมีมีตัวถัง มีกระจกมีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เขาจะต้องบ้อนส่งให้กับโรงงานผลิตรถยนต์พอโรงงานผลิตรถยนต์ได้ชิ้นส่วนต่างๆก็มาประกอบเป็นตัวรถยนต์ขึ้นมาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโรงงานที่ประกอบตัวเอง ประกอบร่างกายประกอบอาการ32โดยการเอาธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินก็อาหารธาตน้ำก็น้ำต่างๆที่เด่มธาตุลมก็คืออากาศที่หายใจเข้าออกที่ทางจมูกธาตุไฟก็คือความร้อนพอมีธาตุทั้งสี่มารวมกัน ที่ร่างกายน่างกายก็จะขยายจากร่างกายทารกเล็กๆที่เริ่มต้นอยู่ในท้องของมารดาพอได้รับอาหารได้รับดินน้ำลมไฟอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย จนมีอาการคบ32สองในขณะที่อยู่ในคันของมันดาพออยู่พอโตโจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องคลอดออกมาพอคลอดออกมาจากท้องมันดาก็มีการเติมทาต่อมีการเติมอาหารให้กับทารกคืนนม นมก็มีธาตุดินผสมอยู่ในน้ำเรียกว่านมถ้าน้ำปาปล่า ก, ก็จะเป็นน้ำใสๆแต่นมนี้เป็นน้ำคนเพราะว่ามีธาตุดินผสมอยู่นะมีธาตุดินผสมกับธาตุน้ำเอาเข้าปากของทารกธาตุลมก็เข้าทางลมทางจมูกธาตุไฟก็ได้รับจากแสง สว่างแสงอาทิตย์อากาศถ้าไม่มีแสงอาทิตย์จะไม่มีความร้อนในโลกนี้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีความร้อนไม่มีไฟถ้าไม่มีธาตุไฟก็จะไม่มีมนุษย์จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีร่างกายของมนุษย์หรือจะไม่มีร่างกายของต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ สิ่งที่มีชีวิตที่มีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีมีธาตุสี่พร้อมบริบูรณ์มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาผสมกันอย่างต่อเนื่องร่างกายของเรานี้มีการเอาธาตุดินเข้ามาตลอดธาตุดินน้ำลมไฟเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นลมหายใจเข้าออกนี่ เขาอยู่ต่ อ, อย่างต่อเนื่องเข้าแล้วก็ออกเอาลมหายใจใหม่เข้ามาเอาลมหายใจเก่าออกไปมีการเปลี่ยนส่วนผสมของลมหายใจคือเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วพอเข้าไปผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำธาตุลมก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เวลาหายใจเข้าเราเอาออกซิเจนเข้าไปเวลาหายใจออกเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสรุปแล้วร่างกายนี้เป็นโรงงานผลิตอาการสามสิบสองส่วนชิ้นสุอ ส่วนประกอบของร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้าลมไฟนี่คือร่างกายที่มีการเจริญอย่างต่อเนื่องร่างกายนี้พอเริ่มก่อตัวขึ้นมานี้มันก็จะมีการเจริญต่อเนื่องไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์พอเริ่มมีการก่อตัวขึ้นมาเมื่อธาตุของแม่กับธาตุของพ่อมารวมกัน ก็จะเกิดการก่อตัวขึ้นมาในช่วงนั้นก็จะมีธาตุารู้คือใจผู้รู้ผู้คิดมาก่มาก่ อ, ม า, กอ ม, ามาร่วมในการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายจึงเกิดการตั้งรันขึ้นมาแล้วมาได้รับอาหารอย่างสม่ำเสมอทางสายเลือด ของมันดามันดาเป็นผู้ส่งอาหารต่างๆให้กับทารกที่อยู่ในร่างกายส่งธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้กับร่างกายของทารกร่างกายของทารกก็ผลิตชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาผลิตผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น แล้วก็พอเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็มีการมีการป้อนธาตุทั้งสี่ให้อย่างต่อเนื่องร่างกายก็เลยมีการเจริญเติบโตตามตามลำดับจากทารกหนึ่งวันเป็นทารกเจ็ดวันหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือน ถ้าไม่มีการเติมธาตุทั้งสี่ให้ทารกนี้จ ะ, จะเจริญเติบโตไม่ได้ถ้าทารกออกมาแล้วไปอุดจมูกไม่ให้ลมหายใจเข้าจมูกอะไรจะเกิดขึ้น เ, เมื่อไม่มีลมเข้าไปาก็จะไม่มีการาก่อร่างสร้างตัวเพราะขาดธาตุลมมีธาตุดินมีธาตุไฟ แต่ถ้าไม่ให้ลมเข้าไม่ให้น้ำเข้าทารกก็จะต้องตายไปไม่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่เนื่องจากว่ามีการป้อนธาตุทั้งสี่ให้แก่ทารกอย่างสม่าเสมอมีการให้ลมหายใจเข้าออกทางจมูกมีการให้น้ำเข้าทางปากอาหารคือธาตุดินเข้าทางปาก ธาตุไฟก็มีผ้าก้อยห่มร่างกายไม่ให้เย็นให้ร่างกายอบอุ่นอจึงมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างต่อเนื่องจเจริญขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดยัง้งถ้าเราสังเกตดูถ่ายรูปทาลบดูเจ็ดวันถ่ายครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนถ่ายครั้งหนึ่ง หนึ่งปีถ่ายครั้งหนึ่งแล้วเอามาเปรียบเทียบดูเราก็จะเห็นการพัฒนาการของร่างกายของทารุตามลาดับเพราะการเสริมธาตุทั้งสี่ให้แก่ร่างกายร่างกายก็จะเจริญไปเรื่อยๆจนถึงขีดสูงสุดของความเจริญร่างกายนี้ก็จะพอเหมือนกับภูเขา ถ้าเราเดินถึงยอดเขาแล้วทีนี้จะเดินให้สูงกว่ายอดเขาก็ไม่มีที่ที่จะเดินขึ้นแล้วมีแต่ที่เดินลงพอร่างกายถึงขั้นจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วสูงสุดแล้วทีนี้ร่างกายก็จะนับนับถอยหลังแล้วแทนที่จะเจริญเติบโตจะเริ่มเสื่อมแล้วจะเริ่มแก่ จะตองแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อย่าเราถ้าอายุ80ครึ่งทางก็คือ40ถ้า90ก็45หรือถ้า100ก็50ปี50อายุ50นี้ก็ถือว่าเป็นขั้นเจริญสูงสุดของร่างกายแล้วหลังจาก50แล้วร่างกายเริ่มจะไม่รับ ธาตสีด่ดินน้ำลมไฟมากเหมือนตอนที่เริ่มต้นจะรับประทานอาหารน้อยลงจะอะไรน้อยลงความต้องการอาหารอะไรต่างๆน้อยลงเพราะร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงอวัยวะต่างๆที่แข็งแรงที่ทำงานมาหลายสิบปีก็เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรม ร่างกายก็เข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความเสื่อมแล้วก็จะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะความเสื่อมของอวัยวะของร่างกายที่ได้ใช้มาอย่างต่อเนื่องโรงงานก็จะเริ่มเก่าลงแล้วร่างกายก็เป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตที่ที่ผลิตโรงงาน จะเริ่มเก่าลงแก่ลงแล้วพอแก่ลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะมีการหยุดทำงานพอมีการหยุดลมหายใจเข้าออกก็ถือเป็นวันสิ้นสุดของการดาเนินการของร่างกายพอร่างกายไม่หายใจลมไม่เข้าลมไม่ออกลมมีแต่ลมออก ลมออกก็คือกลิ่นที่ลราเหยออกมาจากทางร่างกายน้ำก็จะออกน้ำก็จะแยกทางออกจากร่างกายถ้าทิ้งร่างกายที่ไม่หายใจไว้ต่อไปก็จะมีน้ำต่างๆที่อยู่ในร่างกายจะออกมาตามช่องต่างๆถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบแห้งกรอบทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปก็จะผุพัง กับกายเป็นดินไปนี่คือความจริงของร่างกายที่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีใครสอนความจริงให้กับเราเพราะทุกคนนี้ไม่รู้ความจริงกันตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลงมานี่ทุกคนสอนเหมือนกันว่าร่างกายคือตัวเรา ร่างกายคือของเราไม่มีใครมาสอนว่าร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทามาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวดินน้ำลมไฟเขาก็จะแยกทางกันไปเขามารวมตัวกันเวลารวมตัวกันก็เป็นร่างกายเป็นอาการสามสิบสองพอเขาแยกตัวกันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไป ไฟก็ออกจากร่างกายร่างกายที่ไม่หายใจแนละ้วถ้าไปจับจะรู้ว่ามันเย็นมันไม่มันไม่ร้อนเหมือนกับร่างกายของที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะธาตุไฟเพราะธาตุลมหยุดเข้ามีแต่ออกธาตุไฟก็จะออกตามลมไปก่อนแล้วก็ตามด้วยไฟพอไฟออกร่างกายก็เย็นเฉียบ แล้วต่อไปน้ำก็จะออกน้ำเลือดน้ำอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกออกจากร่างกายไปเนื้อเนื้อแต่ส่วนที่แข็งส่วนที่ไม่มีน้ำพอร่างกายออกไปหมดร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็จะผุจะพังกลายเป็นดินไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้อง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายได้หมดปัญหาของพวกเราก็คือความวิตกกังวลห่วงใยกับร่างกายเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเป็นอะไรกันแนะ่เราไปหลงคิดว่าเป็นเรามันก็เลยสร้าง ความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะถ้าอะไรเป็นเราเราก็จะรักจะหวงจะหวงจะอยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆเราไม่อยากจะให้อะไรที่เป็นของเราจากเราไปความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงความหลงที่ไปเห็นร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็เลยวิตกกังวลไปกับเรื่องของร่างกายตอนต้นก็วิตกกังวลกับร่างกายของเราแล้วก็มาวิตกกังวลกับร่างกายของคนที่เรารับเราเคารพเช่นร่างกายของพ่อของแม่ของปูย่ย่าตายายของพี่ป้านะ้าอาหรือร่างกายของแฟนเราร่างกายของอ สามีของภรรยาร่างกายของบุตรทิดาเพราะเราไปคิดว่ามีมีพ่อมีแม่อยู่ในร่างกายมีสามีมีภรรยาอ ย, อยู่ในร่างกายมีบุตรมีทิดาอยู่ในร่างกายทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีแต่เราไปคิดกันเองเหมือนกับถ้าเราคิดว่าเราลืมเอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ย เอาเงินห้าแสนใส่ไว้ในกระเป๋เาแล้วไปลืมกระเป๋าทิ้งไว้ที่ไหนนี้เราตกใจไหมโอ้ยเราเสียเงินคิดว่าเงินเราหายไปเพราะเราไปเอาเงินไว้ในกระเป๋เาแล้วทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวพอมารู้ทีหลังมาเจอกระเป๋าเข้าเปิดกระเป๋าดูไม่มีเงินห้าแสนไปเปิดในตู้อา้าวเงินห้าแสนอยู่ในตู้เราหลงคิดไปเอง ผมคิดว่าเราใส่เงินห้าแสนไว้ในกระเป๋าพอเงินห้าแสนที่เราลักเราหวงมันหายไปหามันไม่เจอเราก็ตกใจกลัวขึ้นมาเสียดายเสียใจขึ้นมาแต่พอไปเจอกระเป๋าแล้วไปเจอเงินที่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าไปเปิดตู้ดูอ้าวมันอยู่ในตู้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาใส่กระเป๋าความเสียใจก็หายไป อันนี้แหละความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงของเราเองความเห็นผิดเป็นชอบของเรามิจฉาทิฏฐิความหลงผิดหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายหลงไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายพอเห็นว่าร่างกายจะตายเราก็ตกใจกันกลัวกันคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกาย แต่เราไม่ได้อยู่ในรใ่างกายเราอยู่นอกร่างกายเราเป็นเหมือนคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเราไม่ได้เป็นโทรศัพท์มือถือเราใช้โทรศัพท์มือถือเวลาโทรศัพท์มือถือเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับโทรศัพท์มือถือร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือมันมีกล้องไหมตานี่ก็เป็นกล้อง มันมีหูก็เป็นไมโครโฟนรับเสียงได้ใครพูดอะไรก็รับเสียงได้เราจะพูดอะไรใส่ใส่ใส่ไปในมือถือก็พูดได้มันรับเสียงแล้วมันก็ส่งเสียงไปให้กับอีกเครื่องหนึ่งร่างกายเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ติดต่อกับมือถือเครื่องอื่น พอเรามีร่างกายแล้วก็สามารถติดต่อกับร่างกายของคนอื่นได้เพราะร่างกายคนอื่นเขาก็มีหูเรามีปากพอเราพูดส่งเสียงไปเขามีหูเขาก็รับเสียงเข้าไปในหูเราก็รับเสียงเข้าไปในหูเขาก็รู้ว่าเรากําลังพูดอะไรแล้วพอเขาอยากจะตอบเขาก็พูดทางปากส่งมาที่ทางหูเรา ร่างกายของเราเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ติดต่อกันคนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่มือไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นโทรศัพท์มือถือคนที่ใช้ร่างกายติดต่อกันนี้ก็ไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาก็ไม่ได้เป็นร่างกาย เป็นผู้ใช้ร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ใช้แต่เรามองไม่เห็นผู้รู้ผู้คิดท่นั้นเองเพราะว่าผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายไม่มีขนาดกว้างแคบสูงไม่มีน้ําหนักผอมหรืออ้วนผู้รู้ผู้คิดนี้มีแต่คิดมีแต่รู้อันนี้เป็นความจริง ที่เราไม่รู้กันถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่จะต้องแยกตัวออกไปในวันข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วส่วนตัวพ่อแม่ก็เมื่อไม่มีร่างกายนี้เขาก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อเหมือนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเสียเมื มือถือที่เขามีเสียไปพังไปเขาก็ไปหาเครื่องใหม่นั้นเองไปซื้อเครื่องใหม่ใจคือผู้รู้ผู้คิดก็ใช้ร่างกายเหมือนกับใช้โทรศัพท์มือถือพอร่างกายเสียร่างกายพังไปใจก็ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่เท่านั้นเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายจากเราไปนี่เพราะว่าร่างกายเขาเสีย ร่างกายเขาใช้ไม่ได้แล้วร่างกายเขากลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟ้แต่เขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเขาก็ไปต่อไปรับร่างกายอันใหม่ไปรอจังหวะที่มีพ่อแม่คนใหม่มาผสมพัน์กันเมื่อมีการผสมพัน์กัน ผู้ที่ไปรอรับร่างกายก็เข้าไปเกาะติดกับร่างกายอันใหม่เริ่มต้นใหม่นี่คือความจริงความจริงที่พวกเราจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นผู้สอนผู้บอกเราเหมือนสมัยก่อนคนโบราณก็คิดว่าโลกนิบัติไม่มีใครรู้ว่าโลกนี้กลม ต้องมีคนฉลาดพวกนักดาราศาสตร์นี่เขามีกล้องเขาส่งออกไปดูดาวต่างๆก็เห็นดาวต่างๆมันเป็นกลมกันหมดไม่เห็นมันมีแบรนที่ไหนเขาก็เลยสรุปว่าโลกมันก็ต้องกลมเหมือนกับ ด, ดวงดาวต่างๆแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ได้ดยการสังเกตเช่นเวลาเรือเข้ามาจากทะเลนี่ ถ้าโลกมันแบนนี่เรือเรือตั้งแต่ตัวเรือไปถึงเสาธงนี่มันจะต้องเห็นพร้อมๆกันหมดนแต่ถ้ามันเป็นโคง้งมันเ ว, ว้ามันเป็นมันตม่มมันจะไม่เห็นพร้อมกันมันจะต้องเห็นส่วนที่สูงก่อนเหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเวลาคนขี่ม้าข้ามเขามานี่เราจะเห็นอะไรก่อนเห็นคนขี่ก่อนหรือเห็นเห็นคนขีน่เห็นม้าพร้อมๆกัน ต้องเห็นส่วนที่สูงก่อนเห็นคนขี่ก่อนแล้วถึงค่อยเห็นมาแสดงว่าพื้นที่ที่มาขี่ข้ามขี่มานี้มันมันโค้งมันเว้ามันไม่มันไม่แบนเขาก็เลยพิสูจน์กันได้ว่าโลกนี้มันกลมแล้วเขาก็เลยพิสูจน์ด้วยการนั่งเรือนั่งเรือออกไปทะเลไปทางทิศใดทิศหนึ่งะแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิม นี่ก็คือความฉลาดของคนที่มีน้อยคนฉลาดที่จะค้นพบความจริงทางโลกยังง่ายทางโลกทางโลกแบนนุกลมยังง่ายแต่คนฉลาดที่จะมารู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนนี้เหมือไม่มีใครอยู่ในร่างกายมีแต่ดินน้ำลมไฟ ทังเที่ที่ความจริงมันก็เป็นตรงนั้นเห็นกันชัดๆอยู่ว่าร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันก็มีแค่นี่แหละมีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกัน mm. เชื้อของพ่อของแม่มันก็เป็นดินน้ำหลงฝายหยดน้ำที่มีดินผสมอยู่มีดินมีน้ำผสมอยู่สองหยดพอมารวมกันมันก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเมื่อมีการต่อเติม ธาตุทางร่างกายของแม่มีการเติมน้ําเติมลมเติมไฟอยู่เรื่อยๆร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นการก่อร่างสร้างตัวด้วยธาตุสี่ก็เห็นกันอยู่ชัดๆแต่พอออกมาปับ๊บก็มาคิดว่าเป็นตัวเราของเราผู้ที่มาเกาะร่างกายเนี้ยมาคิด มาหลงผิดมาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจึงเป็นปัญหาเนเพราะว่าพอมีอะไรเป็นของเราแล้วเราก็จะรักจะหวงจะห่วงขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่คือบอกเกิดของความทุกข์ของพวกเราทุกพอไปเห็นผิด ไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเนี<ม>่ยเราทุกข์กันมาตลอดกับร่างกายนี้แล้วจะทุกข์อย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่เอาความรู้ที่แท้จริงนี่มาสอนใจเราถึงแม้ตอนนี้เราจะได้ยินได้ฟังแต่มันยังไม่เข้าใจมันยังไม่ถึงใจมันยังไม่ปล่อย ถ้ามันเห็นอย่างถึงใจมันเข้าใจมันจะปล่อยแะมันยังมันเพียงเพียงแต่ฟังนี่มันยังไม่ถึงใจเหมือนสิบปากว่ายังไม่เท่าหนึ่งตาเห็นมันจะต้องเอาไปเอาไปพิสูจน์อีกที่นึ่งด้วยการปฏิบัติด้วยการเอาไปปล่อยร่างกายเอาไปทิ้งร่างกายอย่าไป บังคับให้ร่างกายนําบังคับให้ใจปล่อยร่างกายให้ได้ตอนนี้มันเกาะติดร่างกายเหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างเลยกาวตาช้างที่ว่าเหนียวอุปท า, านที่ใจมีเกาะติดกับร่างกายนี้มันเหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างเสิถึงแม้จะมีคนสอนคนบอกว่ามันไม่ใช่เราของเรามันก็ยังไม่ปล่อย ถ้าอยากจะให้มันปล่อยนี่ต้องไปหาที่บังคับให้มันต้องปล่อยเอชจนให้มันมีความมีเหตุการณ์ที่บังคับมีเหตุการณ์ที่จะทําให้มันเห็นว่าร่างกายนี้จะต้องตายไปตอนนั้นอะ่ะมันจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าไปยึดไปติดกับร่างกายนี้มันจะทรมานถ้ายังไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ พอเวลาร่างกายจะตายนี้มันจะทุกข์มากเช่นเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี่รักษาไม่ได้แล้วขั้นสุดท้าย mm hmm. เหลืออีกสามเดือนอทีนี้แหละมันจะได้รู้กันว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยอถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยยังไม่ยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ถ้าปล่อยคือยอมตายเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปทุกข์กับมันทาไมมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปทำไมร่างกายคนอื่นเวลาเขาจะตายทำไมเราปล่อยได้ทำไมเราไม่ทุกข์ก็เพราะเราปล่อยแต่ร่างกายของเรานีอจะปล่อยไม่ปล่อยเราจะรู้ตอนนั้นตอนที่เวลาเราทุกข์กับมันแล้วถ้าเราฉลาดพอที่จะเอา ความรู้ที่พระพุทธเจ้ามาสอนเรานี่มาสอนใจเราอีกทีว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะเราก็็เปนอะไรทุกข์กับดินน้าลมไฟเนหะมันกลับไปทุกข์กับรถยนต์มันไปทุกข์กับกระดาษเห็นไหมเงินห้าแสนมันก็เป็นแค่กระดาษนะพอมันหายไปพอมันจะหายไปนี่โหยทุกข์ขึ้นมาทันทีมันก็เป็นแค่กระดาษเท่านั้นเองกระดาษแล้วก็ปั้มันเขียนป้ายเขียนเบอร์ติดไว้ ว่าจำนวนเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ธาตุเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุหมดธาตุดินส่วนใหญ่ของที่เราใช้กันนี่เป็นธาตุดินนั้นของแข็งนี่ก็ถือว่าเป็นธาตุดินของเหลวก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำของที่มีความร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟของที่มีอากาศผสมอยู่ก็เรียกว่าธาตุลมน้าอัดลมเ น้ำมัดลมก็มีฟองะฟองอากาศมันเป็นธาตุทั้งนั้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราใช้กันกินกันเอบริโภคกันนี่มันเป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้เลยแต่ความคิดของเรานี่ความหลงผิดเหมือนคนโบราณที่คิดว่ามันโลกนี้แบกบ มองไงก็ไม่มีใครเห็นว่ามันไม่แบนมองไงมันก็แบนอยู่นั่นเราเห็นร่างกายที่ไหมันก็เป็นตัวเราของเราอยู่นั่น<ม>วิธีที่เราจะแยกมันนี่มันก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือเราต้องดึงใจถอนใจออกจากร่างกายชั่วคราวร่างกายเราส่งกระแสะมาเกาะมันที่ร่างกาย กระแสที่มาเกาะร่างกายนี้เราเรียกว่าวิญญาณมาเกาะที่ตาก็เป็นจักขุวิญญาณเกาะที่หูก็เป็นโสตะวิญญาณมันก็จะมีชื่อของมันมีอยู่ห้าเส้นด้วยกันที่มาเกาะติดกับร่างกายเพื่อจะได้ครอบครองร่างกายสั่งการใช้ร่างกายได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสทางร่างกายได้ ถ้าใจไม่มีวิญญาณมาเกาะใจจะไม่รู้ว่าร่างกายกำลังเห็นอะไรกำลังได้ยินอะไรกำลังได้ดมกลิ่นอะไรกำลังลิ้มรสอะไรแต่พอมีวิญญาณมาเกาะทางตาหูจมูกลินกายร่างกายใจก็จะรับรู้ทันทีพอรับรู้ก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นใจเป็นส่วนเดียวกันความจริงเป็นส่วนที่มาเสริมมาต่อ ม า, มาต่อจากวิญญาณที่มาเกาะนั้นถ้าเราอยากจะแยกร่างกายเราก็ต้องถอนสายถ อ, ถอนสายคือวิญญาณทั้งห้าสายนี้ออกจากร่างกายชั่วคราววิธีที่จะถอนก็คือนั่งสมาธิเ่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการถอนวิญญาณออกจากร่างกาย พ่าเราจะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมกูกเน้นกายเราจะรู้อยู่กับพุทโธคําเดียวเราจะไม่ไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสพอเราพุทโธพุทโธมันก็จะค่อยๆถอนออกมาถอนออกจากร่างกายพอมันถอนออกมาได้เต็มที่มันรวมกันก็เหลือแต่ผู้รู้ผู้คิดก็หยุดคิดพุทโธก็หยุดไปเอตอนนั้น ก็จะรู้จักตัวจิตวันนี้แหละคือตัวจิตก็คือตัวรู้นี่เองอันนี้ตัวรู้ก็ไม่รู้ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นร่างกายก็หายไปจากการรับรู้อันนี้ก็เป็นการแยกกายแยากจิตขั้นแรกให้เราเห็นว่าจิตคือผู้รู้ร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่นั่งอยู่เฉยๆที่ไม่รับรู้ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับร่างกายร่างกายมันไม่รู้ว่ามีว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้พอเราแยกใจออกจากร่างกายได้รู้แล้วว่าร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจก็คือธาตุรู้คือผู้รู้ พอมันกลับเข้ามารวมกันเวลาออกจากสมาธิกระแสดวงกระแสวิญญาณมันก็จะกลับมาเกาะติดที่ตาหูจมูกนิ้นกายใหม่แล้วก็มารับรู ป, รปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วก็มาคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราใหม่ตอนนี้เราก็ต้องเริ่มใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่เป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาไม่มีใครมีแค่อาการสามสิบสองไม่เชื่อพาศพออกมาดูเลยตรงไหนมีพ่ออยู่ตรงไหนบ้างมีแม่อยู่ตรงไหนบ้างไม่มีมีแต่อาการสามสิบสองอันนี้เราต้องทำเราต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดๆกับตาเราว่าร่างกายนี้มันมีแค่อาการสามสิบสอง ผู้รู้ผู้คิดไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้รู้ผู้คิดอยู่ในธาตุรู้ที่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดเพื่อจะได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับร่างกายเท่านั้นเอง mm hmm. ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ตกใจไม่กลัวว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้รู้ผู้รู้นี้ ไม่มีอะไรจะไปไปกระทบมันได้เพราะมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดไม่มีเป้าให้สิ่งที่ต้องการจะไปกระทบกระทบได้นั่นเองร่างกายนี้มันเป็นเป้าอะไรก็มากระทบได้ลูกปืนก็มากระทบได้มีดก็มากระทบได้รถยนต์ก็มากระทบได้ตายได้ แต่ใจมันไม่มีรูปร in ่างเหมือนร่างกายลูกปืนก็เข้าไม่ได้ลูกปืนก็มก็ไม่รู้จะไปยิงที่ไหนถึงจะไปถึงถึงจะไปเข้าไปที่ใจได้ใจไม่มีรูปร่างมีดก็แทงไม่เข้าลูกปืนก็ไม่เข้าเพราะมันไม่มีที่รับนะไม่มีที่รับลูกปืนไม่มีที่รับมีดไม่มีที่รับรถยนต์เวลารถยนต์จะชนมันชนร่างกายมันไม่ได้ชนใจแต่ร่างกายไม่ได้ตกใจ ให้ที ah ่ตกใจกับเป็นใจเพราะร่างกายมันไม่รู้อะไรร่างกายมันก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ชนกับรถยนต์มันไม่รู้ว่ามันชนกันแต่คนขับรถเนี่ยมันรู้คนขับรถที่ตกใจก็คือคนขับรถแต่ร่างกายแต่รถยนต์มันไม่รู้เรื่องร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์อะไรมากระทบกับมันมันไม่รู้เรื่องแต่ตัวที่รู้ก็คือใจตัวที่ใจ ที่ไปตกใจกขาไปเขไปคิดว่าร่างกายเป็นใจนั่นเองถ้าเรามาฝึกสมาธิแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจแล้วพอออกจากสมาธิเราก็ต้องหมันเตือนหมันสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยร่างกายไม่ใช่เรานะอะไรมันกระทบกับร่างกายมันก็แค่กระทบที่ร่างกายเท่านั้นมันไม่มาถึงเราหรอกให้คิดอย่างนี้ให้สอนนี้ เราต่อไปใจมันจะไม่ตื่นเต้นตกใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะใจจะรู้ว่าใจปลอดภัยเสมอใจไม่มีใครที่จะมาทำลายทำลายทำลายใจได้นอกจากความโง่ของใจเองนั่นเองที่ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยตื่นเต้นตกใจไปกับความเป็นความตายของร่างกาย นี่แหะเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมสั่งสอนจิตใจขั้นต้นเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยผู้รู้สอนเราก่อนสอนให้เรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นใครกันแนะ่เป็นอะไรกันแนะ่เมื่อเราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นใครร่างกายเป็นใคร พอรู้แล้วขั้นที่สองเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์การฟังเฉยๆนี่ยังเป็นเหมือนกับสิบ ป, ปากสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าเราคนไม่เคยกินทุเรียนเนี่ยลองไปเล่าให้มันฟังว่าอร่อยอยังไงเหม็นยังไงหอมยังไงมันก็ฟังงงบางคนก็ว่าเหม็นบางคนก็ว่าหอมบางคนก็ว่าอร่อยบางคนก็ว่าไม่อร่อย เราจะรู <cin stereotype> ้ไ <clique> ด้ก <spelled> ็ต่อเมื่อเราเอาไปกินเองพอกินแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเหม็นยังไงมันหอมยังไงมันอร่อยยังไงมันไม่อร่อยยังไงเพราะบางลูกมันก็เละบางลูกมันก็เละบางลูกมันก็แข็งเกินไปถ้าไปเจอลูกที่กำลังดีไม่แข็งเกินไปไม่เละเกินไปไม่หวานเกินไปไม่เจรดเกินไปมันก็จะรู้ว่าอร่อยเป็นไง เราอยากจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราอยากจะรู้ว่าเราเป็นตัวรู้ผู้รู้ผู้คิดนี้เราก็ต้องปฏิบัติเราต้องแยกผู้รู้ผู้คิดออกจากร่างกายออกจากธาตุสี่วิธีแยกก็คือการนั่งสมาธินี่เวลานั่งสมาธินี้เราจะดึงสายห้าสายออกจากร่างกายเหมือนถอดปลัก๊กถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟ ไฟมันก็จะไม่ติดที่ไฟมันติดก็เพราะว่ามีกระแสะไฟวิ่งออกจากปั๊บมาสู่หลอดไฟพอเราถอดปั๊กออกปั๊บนี่รูปที่จะเข้ามาทางตาก็จะไม่ก็จะไม่เห็นเสียงที่จะเข้ามาทางหูก็จะไม่ได้ยินจะเหลืออยู่แต่ตัวรู้ที่รอรับรู้รูปเสียงกิดลดแต่ไม่มีรูปเสียงกิดลดมาให้รับรู้เท่านั้นเอง เวลาใจสงบเต็มที่นี่รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เข้ามาสู่ใจความคิดก็หยุดคิดไปเพราะความคิดหยุดคิดก็จะเหลือแต่ตัวรู้ผู้รู้เราก็จะได้รู้ว่านี่แหละคือตัวเราอยู่ตรงนี้ตัวรู้เนี่ยที่รู้กันเนี่ยใครใครเป็นผู้รู้ดินน้ำลมไฟเป็นผู้รู้หรือใจเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้คิด ดินน้ำนมไฟเป็นผู้คิดด้วยใจเป็นผู้คิดเนี่ยเราจะรู้ขึ้นมาจะเห็นชัดเราจะเห็นว่าเราเนี่แหละคือมาจากผู้รู้ผู้คิดคิดขึ้นมาคิดว่าเป็นเราก็เป็นเราคิดว่าเป็นของเราก็เป็นของเราพอไม่คิดว่าเป็นเราเราก็หายไปพอไม่คิดว่าเป็นของเรามันก็หายไปพอหยุดคิดปั๊บความร่างกายที่เป็นเราก็หายไป ร่างกายที่เป็นของเราก็หายไปพอเรารู้แล้วว่าเออ่เราอยู่ที่ผู้รู้เราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่มากระทบกระเทือนกับผู้รู้เราก็จะมีความมั่นใจที่จะกล้าปล่อยร่างกายได้เวลาเราออกจากสมาธิมา เราก็มาเกาะติดกับร่างกายใหม่แต่ทีนี้เกาะติดด้วยความรู้ใหม่แล้วรู้แล้วว่าเราเป็นเพียงแต่เป็นผู้มาสั่งร่างกายเป็นเหมือนคนขับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเหมือนผู้ขับรถยนต์ผู้ขับร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นผู้ดูแลร่างกาย ใช้ร่างเลี้ยงดูร่างกายด้วยร่างกายเอแต่ผู้สั่งคือคือใจใจสั่งให้ร่างกายเลี้ยงดูร่างกายอ่ะถึงเวลาหิวก็สั่งให้ร่างกายไปหาข้าวมาให้ร่างกายกินเอใจไม่ได้กินแต่ใจไปยุ่งกับเรื่องการกินของร่างกายก็เลยวุ่นวายคือจู้จี้จุกจิกอยากจะกินนู่นกินนี่แต่ร่างกายมันไม่สนใจน่ะกินอะไรก็ได้กินแล้วขอให้มันอิ่มก็พอ แต่ใจไม่ได้ใจนี่จูจจจจจ้จี้จุกจิกจะต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนี้ต้องกินอั น, นี่ก่อนกินอั น, นั่นหลังเอออันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาโดยใช่เหตุเสียเวลาไปเปล่าๆเลี้ยงดูร่างกายที่มันไม่สนใจว่ามันจะกินอะไรก่อนหลังอเอามารวมกันพร้อมกันแล้วก็คุกกันให้มันกินมันก็กินได้เอ เราไม่เดือดร้อน เ, อเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับให้กับเราเองจะกินกันแต่ละครั้งนี่เหนื่อยออกว่าจะกินนี่โอ้ต้องเตรียมการาแล้วกินเสร็จก็ต้องมาเก็บมาล้างอีกอไม่กินง่ายๆแบบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเอาทุกอย่างใส่บาตรไปบาตรปเดียวช้อนก็ไม่ต้องมีมือนี่แหละเป็นช้อน กินเสร็จก็ล้างบาตรใบเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้ากินแยกจานแยกชามมีช้วยมีช้อนโอ้ยกว่าจะล้างชามเสร็จอีกหมดไปก็ราเท่าไหร่อนี่เกิดความหลงความวุ่นวายของใจที่ไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระแต่มันเป็นเรื่องของความหลงที่ทําให้เกิดความสุขเวลาวุ่นวายได้เลือกสิ่งที่อยากได้อยากกินก็มีความสุขประเดี๋ยวประดาวเท่านี้ แต่ไม่เห็นความทุกข์ความวุ่นวายที่ตามมาปัญหาของใจอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ไม่รู้ว่าอ ะ, อะไรเป็นอะไรและวิธีที่จะปฏิบัติกำมันปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ใจไม่วุ่นวายกันชอบวุ่นวายกันวุ่นวายกับทุกเรื่องทุกอย่างเพราะว่าอยากอยากให้มันเป็นไปตามความอยากความชอบ ชอบอะไรก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องวุ่นวายเพราะของมันไม่ได้มาแบบที่เราชอบบอมันไม่ชอบเราก็เอามาดัดแปลงมาทําให้มันเป็นกลายเป็นของที่เราชอบขึ้นมามแล้วพอกินใบมันก็หมดพอใช้ไปมันก็หมดแล้วเราก็ต้องมาทํากันใหม่วุ่นวายก็อยู่อย่างนั้นแ้าเดี๋ยวร่างกายที่เราสาดดูแลทนุธนอมอย่างดีงามเดี๋ยวมันก็ตายไป มันก็กลับกลายเป็นดินน้ำลมไฟแต่ชีวิตใจของเรานี่วุ่นวายไปตั้งแต่เกิดจนตายแล้วยังไม่พอไม่ใช่พอมันตายแล้วจะหมดก็ไม่ใช่พอร่างกายตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความชู้จี้จุกจิกยังอยากจะมีร่างกายยังอยากจะใช้ร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่นี่คือการเกิดเกิดเพราะความอยาก อยากใช้ร่างกายดูรูปเสียงกลิ่นโนตที่ชอบพอไม่มีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามีมีร่างกายมีน้ํามันทุกเมืละวุ่นวายทุกวันนี้เราวุ่นวายกับร่างกายไหมวุ่นวายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเด่นขึ้นมานี้ก็ต้องวุ่นวายดูแลจัดการร่างกายแล้ว อาบน้ำอาบท่าเข้าห้องน้ำทำความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จ แ, แล้วก็ต้องหาของกินของดื่มพอกินของดื่มเสร็จ แ, แล้วทีนี้ก็ไปหาของตามความอยากเอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปปิ้งไปแล้วก็พอเงินหมดก็ต้องไปดิ้นรนหาเงินกันอีก <Yeah. S 1> มีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพอ ไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทุกข์ใจถ้าไม่ได้อยากบ่อยๆนานๆเขาก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาถ้าเป็นไปนานๆก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บหรือเวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะไปอซื้อของต่างๆมาบำรุงบำเรอ พอ้แต่จะแบบการหาความสุขแบบนี้ทุกขมากกว่าสุขมาหาความสุขอีกแบบดีกว่าหาความสุขแบบนั่งสมาธิดีกว่าได้ประโยชน์หลายอย่างได้เห็นความจริงด้วยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่แน่นอนกว่าที่ดีกว่าที่มั่นคงถาวรกว่าที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย าถ้าทำใจให้สงบเป็นแล้วสามารถทำได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการเวลาใดอยากจะมีความสุขก็ทำใจให้สงบนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปท่านี้มันก็สบายไม่ต้องใช้ร่างกายวเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย พาะตอนที่นั่งสมาธิก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช้ความสงบเป็นเครื่องมือหาความสุขของใจแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้ที่เราปล่อยวางร่างกายไม่ได้เพราะเรายัางต้องการที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกับเรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา แต่เวลามันหายไปมันเสียไปก็อดที่จะไปเปลี่ยนใหม่ไม่ได้อยากได้เครื่องใหม่มาใช้แทนมันเพราะเราต้องพึ่งมันถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเราก็ต้องพึ่งมันไปเรื่อยๆแล้วเวลามันเป็นอะไรเราก็จะหุ้นวายใจเราก็จะเดือดร้อนใจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยต่างๆ ที่จะมากระทบกับร่างกายแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราและมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเรามันเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามันสร้างความทุกข์ให้กับเราทุกที่เราไปหลงไปยึดไปถือมันว่ามันว่าเป็นตัวเราของเราทาให้เราต้องพยายามปกป้องรักษาดูแลมันอย่างสุดเหวี่ยง แล้วดูแลยังไงในที่สุดก็ดูแลไม่ได้ไม่เจ็บไม่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยอุบัติภัยหรือด้วยภัยของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันหรือภัยที่เกิดจากความซุกสนของตัวเองบางทีก็สุกสนไปเที่ยวไปเล่นเดี๋ยวก็ไปเจอเหตุการณ์ที่จะมาทำร้ายร่างกายได้หรือถ้าไม่ได้ไปไหนดูแลเลี้ยงดูดีอย่างไรปกป้องดีอย่างไงเดี๋ยวก็ต้องโดนภัยจากความแก่ความเจ็บ ทำตายมาทำลายมันอยู่ดีให้เห็นโทษของการมีร่างกายให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ได้และอยู่ดีกว่าด้วยเพราะอยู่แบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์กับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนออสัมภาระที่เราแบกหามอยู่เวลาเราเอาสัมภาระวางไว้แล้วเราจะรู้สึกเบาไหย ที่เราหนัก อ, อกหนักใจกับร่างกายก็เพราะเราไปแบกมันแบกมันด้วยความรักด้วยความหวงด้วยความห่วงไม่ต้องการให้มันเสียไม่ต้องการให้มันเป็นอะไรไปแต่จะแบกยังไงมันก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียแต่ถ้าไม่มีร่างกายแบกนี้สบายกว่าไหมลองมาหัดทาสมาธิดูลองมาใช้ หาความสุขจากการทำสมาธิดูถ้าทำสมาธิได้ใจมีความสุขก็เลอกใช้ร่างกายได้ไม่ต้องมาคอยวิตกกังวลว่าจะหาความสุขกับร่างกายไปได้นานสักเท่าไหร่ไม่มีมันก็เราก็อยู่ได้มีความสุขได้สบายกว่ามีมันต้องต้องเลี้ยงดูมันต้องปกป้องรักษามัน เหนื่อยเมื่อยล้ากับการเลียงดูร่างกายเพื่อที่จะได้ความสุขเล็กๆแค่น้อยผ่านทางร่างกายทํางานปีหนึ่งแล้วได้ไปเที่ยวสักเจ็ดวันใช่ไหมไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาสักเจ็ดวันแต่ต้องมาทํางานหักโหมหาเงินหาทองมาวุ่นวายกับงานกับการมาวุ่นวายกับคอยดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเดี๋ยวก็ต้องกินยา โอ้ยมีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลาถ้ามีร่างกาย<ม>แต่เราไม่มีทางเลือกเราไ ม, เาไม่เราไม่รู้เราก็ทำไปตามตามที่มันต้องทำเพราะไม่มีใครมาบอกเราวิธีอื่นนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราก็จะติดอยู่กับการมีร่างกายไปไเรื่อยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาความสุขต่าง แล้วก็ต้องทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการรักษาร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาเริ่มต้นใหม่ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ร่างกายแล้วร่างกายที่เราเปลี่ยนมาเปลี่ยนมานี่ท่านบอกมีมากกว่าล้านร้านร่างกายอยากจะรู้ว่ามากกี่ร่างกายก็เอน้ำตาที่ร้องแต่ในแต่ละพบแต่ละชาติ เราเกิดมามีร่างกายเราก็ต้องมาร้องไห้กันเอาน้ําตาที่เราร้องจากร่างกายนี้มารวบรวมกับร่างกายอันอื่นเดียวเราจะได้รู้ว่ามันมีกี่ร่างกายเพราะน้ําตาที่เรารวบรวมได้นี้มันจะมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูเดียวจะล้องจะต้องมีร่างกายกี่ร่างกายมาร้องไห้ถึงจะได้น้ํามากเท่ากับมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแ่ะคือจํานวนร่างกายที่เรา มีกันเหมือนกับมือถือเนี่ยเราเปลี่ยนมือถือมากี่เครื่องแล้วก่อนจะตายเนี่ยลองลองนับดูว่าจะเปลี่ยนมือถือกี่เครื่องกันร่างกายก็เป็นเหมือนมือถือที่เราเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาเครียดกับมันมาคอยดูแลมันเลี้ยงดูมันรักษามันมาใช้หาหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่ามาทำใจให้สงบ จะมีความสุขแล้วก็จะมีปัญญาจะเห็นว่าเอ้ยเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ได้มีความสุขได้แล้วได้ยินคาําสอนพระพุทธเจ้าบอกร่างกายไม่ใช่ของเราก็ปล่อยได้ตอนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะยังต้องอาศัยมันอยู่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันทั้งทั้งที่ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยเพราะทําปล่อยร่างกายมันไม่รู้จะไปหาความสุขจากอะไร ก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปแต่ถ้ามาฝึกสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ต่อไปก็เลิกใช้ร่างกายได้ปล่อยร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะห้ามมันไม่ได้อยู่ดีห้ามไม่ได้ยิ่งไปห้ามยิ่งทุกข์ใหญ่ ยิ่งไปอยากให้มันไม่แ ก, อก่ i, อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายยิ่งทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุทุกคนทุกคนเนี่ยเวลาแก่นี่ทุกข์กันเวลาเจ็บนี่ทุกข์กันเวลาตายนี่ทุกข์กันทั้งๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงไปเลยร่างกายมันก็แก่อยู่ดีเจ็บอยู่ดีตายอยู่ดีทําไมต้องไปทุกข์กับมันทำไมที่ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเพราะเราต้องใช้มันนั่นเอง เวลามันแก่มันเจ็บมันตายใช้มันไม่ได้จึงไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะเกิดความไม่อยากขึ้นมามันก็ตยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปลองไปไปปฏิบัติดูไปนั่งสมาธิดูไปแยกใจถอนใจออกจากร่างกาย ให้ได้เ อ, อถอนได้แล้วรู้ว่าเออสุขสบายกว่าเยอะสบายกว่ามีร่างกายต่ อ, อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องวิตกกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ต้องใช้มันไม่ต้องพึ่งมันอีกแล้ว เ, ออเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ออไม่ต้องมีร่างกายออออนี่คือผล ที่เกิดจากการมาฟังเทศสังธรรมเราจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับร่างกายที่เราไปเรียกว่าเป็นของเราหรือตัวเราว่าความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันเป็นกองทุกข์เพราะเราต้องคอยเลี้ยงดูรักษามันแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแล้วทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายใหม่เรื่อยๆต้องมาทุกกับมันใหม่เรื่อย ถ้าเราปล่อยร่างกายเลิกใช้ร่างกายได้มาทาใจให้สงบใช้ความสงบเป็นเครื่องสร้างความสุขให้กับเราต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาทุกข์แบบที่เรากําลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้เราก็จะไม่ต้องกลับมามีม า, มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะอยู่กับความสงบไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราะใจของเราไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตาย zd. ตอนนี้ใจของเราไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายแต่มันชอบไปแบกความความทุกข์จากร่างกายแต่ละร่างใจเราก็เลยมีแต่ความทุกข์มาตลอดจะทุกต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันถ้าตราบได้เรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ถ้าเราเลิกใช้ร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่ใจก็เหมือนกัน ใจเราไม่เปลี่ยนแปลงใจเราไม่หายไปไหนเปลี่ยนแต่ว่าจะสุขไปตลอดหรือจะทุกข์ไปตลอดเท่านั้นเองตอนนี้เรากําลังทุกข์ไปตลอดถ้าเราอยากจะสุขไปตลอดก็ต้องเลิกใช้ร่างกายมาหัดทําใจให้สงบเมื่อสงบแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็จะปลอดจากความทุกข์นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรม ที่พระองค์ทรงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พ่อนย่ถ า, าวาเดวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏทตังตุมหังคิปเปเมวะสมมิตาต สัพเพปเลนตุสังกปายันโทปนาราโสยธามเนชโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีริสานิจจัง พุธาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกัน ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาให้พิธีกร อ, อ่านให้ก็ได้แต่อย่ามาถามหลังใหม่หลังจากที่เลิกแนละ้วเพราะจะไม่ตอบจะตอบเฉพาะช่วงนี้เพราะหมดเวลาหลังงานถ้าไม่อยากจะถามเองก็ใส่เขียนกระดาษเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร y อ u สิบเอ็ดยร้อยยี่สิบแปดวิทยุยี่สิบสอง รับฟังบนเขา94รวม555ค่ะมีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากเฟ e บุ o k ค่ะจากคุณบางบางกราบเรียนถามว่าถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะสามารถปฏิบัติธรรมมีจิตตั้งมั่นได้ไหมเจ้าคะยาก พอเวลาไม่มีร่างกายเป็นช่วงที่เราอยู่ในโลกของความฝันเราจะถูกบุญกับบากเป็นตัวกำหนดให้เราฝันดีฝันได้ไปเหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนะนอนหลับนี้ปฏิบัติทำไม่ได้ปฏิบัติยากเวลาตายก็เหมือนกับตอนที่นอนหลับต้องมีร่างกายของมนุษย์ถ้ามีร่างกายของเดรัจฉานก็ฟังทำไม่รู้เรื่อง ช้างกับลิงที่ไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องอก็ไม่ได้ประโยชน์ต้องมีร่างกายของมนุษย์แล้วก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาประกาศพระธรรมคําสอนอถ้าไม่มีร่างกายของมนุษย์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็โอกาสจะปฏิบัติธรรมนี้ก็มีไม่มากปฏิบัติก็ไม่ถึงขั้นสูงสุด เพราะว่าคนที่จะสอนให้ถึงการสูงสุดได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นศาสนาอื่นลัทธิอื่นเช่นในยุคที่สมายที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาปฏิบัติก็สอนได้แค่ระดับขั้นสมาธิขั้นฌานขั้นรูปฌปานอารูปฌปานแต่ขั้นวิปัสสนาขั้นไตยลักนี้ไม่มีใครรู้คำถามจาก YouTube ค่ะคาถามจากคุณทัศนี หลังจากดิฉันนั่งสมาธิเสร็จดิฉันจะงีบนอนสักหน่อยแต่พอนอนความรู้สึกพุโทโธมันก่ะที่ฐานจิตที่ท้องน้อยตลอดจนต้องนึกในใจว่าหยุดสักทีเพราะนอนไม่ได้เจ้าค่ะจนต้อง ล, ลุกขึ้นมาทำงานอยากทราบว่าเกิดจากเหตุอะไรไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะมันรู้สึกตลอดแต่จิตไม่รวมนะคะมันตื่นะมันก็ถึงไม่หลับ ก็ทำไปทาไปเดี๋ยวมันง่วงมันก็หลับเองถ้ามันไม่หลับก็อย่าไปบังคับมันอย่าไปอยากยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งเครียดใหญ่เมื่อไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปคนปฏิบัติธรรมก็ไม่ชอบนอนอยู่แล้วยิ่งไม่หลับได้ยิ่งดีบางคนถือในสัตชิกไม่นอนสามวันสามคืนเราสบายไม่ง่วงแสดงว่าเรามีปุณมาก ปฏิบัติไปเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปคำถามฝากคำถามฝากถามค่ ะ, คาา ก, าคะการทำบุญภาดไทรเวลาบวชพระมีความเชื่อว่าห้ามทำคนเดียวจริงหรือไม่คะก็ทำบุญก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญเนี่ยทำกันหลายๆคนมันกินข้าวกินคนเดียวมันอิ่มคนเดียวใช่ไหม ถ้ากินห้าคนมันก็อิ่มห้าคนด้วย mm hmm. อย่างนั้นก็พยายามเชื่อชนให้มาร่วมกันทําบุญเพราะบุญเป็นอาหารของของใจเอกลัวคือไม่อยากไม่อยากทํากันนั่นเลยถ้าทําได้ร่วมกันทําไม่ต้องมาหวงบุญฉันเป็นเจ้าภาพคนเดียวยังไม่ถูกะถ้าทําบุญแล้วคนอื่นอยากจะมาขอร่วมบุญด้วยห้าบาทสิบาทใส่ก็มารับไว้ไม่เป็นไร เขาได้บุญเราได้บุญเหมือนกันเราก็ได้บุญเท่าเดิมบุญแมของเราไม่ได้หดน้อยไปถ้าเราทำร้อยบาทแล้วเขามาเพิ่มอีกห้าบาทนอกจากเราชักห้าบาทใส่กระเป๋านีมันก็จะเราก็จะทำแค่เก้าสิบห้าแต่ถ้าเขามาขอร่วมอีกห้าบาทล้าก็ทำไปร้อยห้าอย่างนี้มันก็เราก็ยังได้ทำร้อยอยู่เขาก็ได้ทำห้าบางทีเขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญต้องรอมีโอกาสมีเหตุการณ์เช่นเวลามีการบวชนี่ จะได้มีการซื้อผ้าไตก็ร่วมกันจ่ายค่าผ้าไตไปพระมาณนั้นก็ต้องรอเวลามีผ้ามาบินตบา่าเลยหรือแม้ก็ต้องไปที่วัดแล้วก็เอาเงินไปใส่ตู้บริจาคถึงจะได้ทําบุญแต่ถ้ามีเพื่อนฝูงจะไปทําบุญก็ขอฝากไว้ทําด้วยเราก็ถ้าเราเป็นคนไปทําก็ควรจะอนุโมทนาสาธุว่าเขาขอร่วมบุญด้วยอย่าไป นังเกียรติบุญเขาจะอย่าไปคิดว่าจะทำให้บุญของเราน้อยลงไม่ไม่น้อยลงมันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราทำถ้าเราทำเท่าเดิมเข้ามาเพิ่มมันเขาไม่ได้แย่งบุญเราเหรอกเขาก็ได้บุญวัดก็ได้เงินเยอะขึ้นงั้นดีทุกทางคนให้ก็ดีคนรับก็ดีคำถามจากคุณอลิสค่ะเรียนถามว่าการนั่งสมาธิมีทุกขเวทนา ปฏิบัติเช้าเย็นมาเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะทนได้บ้างสลับวันไม่แน่นอนค่ะประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเช่นปวดหลังปวดขาควรพักนอนลงเพื่อทุเราปวดสักขานาทีแล้วเริ่มนั่งใหม่แบบนี้จะพิจารณากายสำเร็จเนื่อช้าไหมคะมันก็ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าถ้าจะพิจารณากายไม่ใช่ตัวเราก็ต้องปล่อยมันเจ็บไป ถ้าปล่อยให้มันเจ็บไม่ได้ก็แสดงยังยังถือว่าเป็นตัวเราอยู่ยังถือว่าเราเจ็บอยู่ยนั้นที่มันมีปัญหาก็คือสติไม่พ อ, อนั้นต้องมาแก้ที่การฝึกสติให้มากขึ้นถ้ามีสติมากขึ้นเวลามันเจ็บใจจะไม่เจ็บใจจะปล่อยได้ที่ใจปล่อยไม่ได้เพราะสติมันไม่มีกําลังดึงใจออกจากร่างกายมีแต่ความอยากความหลงพยายามดึงกลับให้ไปเกาะติดกับร่างกาย ยังต้องฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งถ้ามีสติกำลังสูงนั่งไปเจ็บก็เฉยได้ข้อสองค่ะวริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทและสังเกตลมเข้าออกที่ปลายจมูกเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมจ๊ะคะก็เป็นวิธีหนึ่งในหลายหลายวิธีด้วยกันถ้าเราใช้แล้วถูกกับเราเราก็ใช้ไป ถ้าใช้แล้วได้ผลคือจิตสงบจิตสบายจิตไม่คิดฟุ้งซ่านก็ใช้ได้ใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้หรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้นั้นมีหลายวิธีแต่ละคนก็ต้องเลือกเอาวิธีไหนวิธีหนึ่งเหมือนเดินทางเนี่ยจะขึ้นรถเมย์ก็ได้ขับรถไปเองก็ได้โบกรถไปก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกวิธีไหนก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกัน ข้อสค่ะมีฐานของจิตที่ลิ้นปี่ไหมเจ้าคะเคยรู้สึกตืบๆแรงตรงนั้นเวลามีสมาธิดีขึ้นแต่ไม่ได้มีอารมณ์ตื่นเต้นใดๆที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงค่ะาฐานของจิตไม่มีหรอกฐานจิตคือความสงบไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราเพียงแต่ไปตั้งจิตไว้ ท, ที่ที่ฐานต่างๆของร่างกายทอนนั้นเองเพื่อให้จิตมันมีที่เกาะ จะเราไปตั้งที่ปลายจมูกเงี้ยเพื่อให้ไม่ให้มันลอยไปลอยมาให้มันไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันคิดอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวหรือที่กลางหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยให้รู้อยู่ที่จุดเดียวฐานจริงๆของจิตคือความสงบที่ไม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายที่ร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ที่เกาะของจิตให้จิตเกาะเพื่อจะได้ไม่ลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆจิตจะได้สงบได้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 ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วในตอนนี้ได้หรือไม่คะได้แต่มันบูดไปแล้วมันเป็นเหมือนอาหารนะมันหายไปจากความรู้สึกของเราแล้วทำบุญนี้มันเหมือนอาหารมือต่อมือเวลาทําเสร็จมันจะเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาอันนั้นแหละคือบุญถ้าตอนไหนเราไม่มีความอิ่มเอิบใจเราก็ไม่ได้ส่งบุญไม่มีบุญส่งให้เขาแล้วก็ต้องทาบุญใหม่ คำถามจากกลับมาเฟซบุ๊กค่ะคุณตุ้มผมสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันแต่ทำวัละสิบถึงยี่สิบนาทีแบบนี้อานิสงส์จะเกิดไหมครับก็เกิดแบบสิบนาทียี่สิบนาทีทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากไปตกปลายี่สิบนาทีก็ได้ตัวสองตัวถ้าไปตกปลาสองสามชั่วโมงก็อาจจะได้สิบยี่สิบตัวทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อย คำถามจากคุณเบญจวรรณเมื่อก่อนเคยจิตรวมอยู่กับความรู้สึกที่ใจใจจะรู้เองเวลาไหนอยู่กับสติเวลาไหนใช้ปัญญาเวลาคนทําไม่ดีกับเราพอเหนื่อยก็กลับมาทําสมาธิอยู่ไปแบบนี้ค่ะรู้ต้องถูกต้องในหลักสติประฐานสี่หรือไม่คะก็มีสติไว้เพื่อให้ใจนิ่งไถ้าใครด่าแล้วเราก็นิ best, ่งไม่เดือดร้อนก็ถูก ถ้าใครด่าแล้วเต้นเป็นไฟขึ้นมาก็ไม่ถูกนะคาถามจาก youtube ค่ะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิ <c oughs> ต้องนั่งขัดสมาธิมีความจำเป็นต้องนั่งท่านี้หรือไม่เจ้าคะมีปัญหาในการนั่งท่านี้นานๆเจ็บโคกเข่าคะ่ะก็ไม่จำเป็นหรอกนั่งท่าไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะนั่งนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าขัดสมาธิมันเป็นท่าที่สบายที่สุด ที่มั่นคงที่สุดเนี่ยถ้านั่งท่าอื่นเดี๋ยวมันจะล้มนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันจะเองมันจะล้มได้แต่ถ้านั่งขัดสมาธิแล้วมันจะไม่มีวันล้มแต่ถ้านั่งปุ๊บปั๊ บ, บแค่ห้านาทีสิบนาทีนั่งท่าไหนก็ได้ตอนนี้คำถามหมดนะการฝึกขาดก็เราก็ต้องเริ่มทำจากน้อยไปหามากเพราะกาลังสติของเรายังมีไม่มาก เราก็คงจะนั่งไม่ได้นานนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีก็อยากจะเลิกแล้วแอนถ้านั่งแค่เดี๋ยวเดียวนี่นั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าต่อไปเราฝึกสติสติเรามีกําลังมากขึ้นนั่งได้นานขึ้นเราจะเห็นคุณค่าของการนั่งขัดสมาธิเพราะถ้านั่งห้อยเท้านั่งเก้าอี้เดี๋ยวมันจะเอนงั้นต่อไปพอเรามีสติมากนั่งได้นานเราก็จะสามารถ นั่งขัดสมาธิได้เพราะว่าความเจ็บของร่างกายมันจะไม่ทรมานถ้าเรามีสติเจ็บของเราจะไม่ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บแต่สามารถที่จะบังคับให้มันนั่งได้พอบังคับให้มันนั่งไปสักระยะหนึ่งต่อไปอาการเจ็บมันก็หายไปเพราะว่าเส้นสายมันเริ่มเข้าเข้าที่เข้าทาง ถ้าไม่เคยนั่งขัดสมาธิเลยเวลามานั่งใหม่ๆมันก็เหมือนกับเอากิ่งไม้ที่มันตรงมาดัดนมันก็ต้องใช้กําลังเส้นสายเราถ้าไม่เคยพับเพียบนีไม่เคยนั่งขัดสมาธิมันก็จะแข็งตึงเวลาเราที่จะมานั่งมันก็จะรู้สึกเจ็บแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกไปค่อยๆดัดมันไปต่อไปมันก็นั่งได้มันจะนั่งได้ไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สติ ถ้ามีสติมันก็จะทนเจ็บได้มันก็จะไม่กังวลกับความเจ็บเพราะนั่งไปมีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปมันก็ลืมเรื่องความเจ็บไปแล้วพอมันสงบมันก็นั่งได้นานงั้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าเริ่มต้นนี้ก็มีกําลังน้อยมีสติน้อยก็นั่งไปในท่าไหนที่เรานั่งได้ไปก็แล้วกัน แต่ถ้าต่อไปเราจะรู้สึกตัวเองว่านั่งในท่าไหนก็ไม่สบายเท่ากับในท่าขัดสมาธิคำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะทำไมเวลาพระจำวัดต้องจำวัดในท่าสีห์สายญาติท่าอื่นไม่ได้หรอครับก็เขาสอนมาอย่างนั้นให้นอนแบบราชสีถ้าสีห์สายญาตมันไม่ใช่นอนแบบคนตายถ้านอนแบบง่ายหลังงายหน้าขึ้น อันนี้มันแบบนอนแบบคนตายคือคนไม่มีสติถ้านอนในท่าเสีาสายาจาตเหมือนราชจะศีนอนแบบมีสติพอมีอะไรมามาสัมผัสมันจะรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วอันั้นก็ให้นอนแบบมีสติจะได้ไม่หลับนานพอร่างกายได้พักผ่อนพอลืมตาขึ้นมาก็จะจะลุกขึ้นมาปฏิบัติเลยถ้านอนในท่า นอนหงายอย่างนี้ก็นอนยาวเลยเพราะมันสบายหดาอดนั่นแหละเดี๋ยวนี้คำถามถามจนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคำถามผมงยาไม่รู้จะถามอะไรนะถามได้แต่คำถามบางคำถามไม่เข้าเรื่องเข้าราวก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถามไม่ตอบ แต่เรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินีกว่มาถามเรื่องชาวบ้านชาวช่องเรื่องผีเรื่องอะไรนี้ก็ขี้เกียจตอบออถามเรื่องธรรมะเรื่องวิธีดับทุกข์ดีกว่าจะดับทุกข์ได้ยังไงเวลาไม่สบายใจร้องห่มหร้องไห้ทํำยังไงทําให้ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ออย่างนี้น่าถามกว่าเวลาแฟนทิ้งทํางไงให้ยิ้มได้เอ อก็มองให้มันมองว่ามองเขาว่าเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นซากศพเนี่ยเวลาแฟนตายไปนี่จะเก็บไว้ที่บ้านไหมพอแฟนตายไปก็ยกให้สับปเปล่าไปเลยเอ่าในเวลาเขาทิ้งเราก็คิดว่าเขาตายจากเราไปก็ท่า น, นั้นเองเขาจากจะไปก็ปล่อยเขาไปก็คิดว่าคนเราต้องมีวันพันพนพนากจากกันเป็นธรรมดาต้องตายจากกัน ไม่ตายเป็นก็ตายตายตายมันก็ตายเหมือนกันถ้าแยกทางกันก็ถือว่าตายจากกันเมื่อเขาจะไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไ ป, ไปถ้ามองโลกในแง่ดีถ้าจะมองแบบกิเลสก็ดีจะได้มีผัวใหม่มีแฟนใหม่ได้เมื่อก่อนจะไปไหนก็ต้องขออนุ ญ, ญาต จ, จากเขาเขาไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้อย่นี้พอเขาทิ้งเราแล้ว เ, เราสบาย เราจะไปเที่ยวกับใครไปเที่ยวกับเพื่อนไปทำอะไรที่ไหนก็ไปของเราได้มองโลกในแงด่ดีทุกอย่างมันมีบวกมีลบมีเสียอะไรมันก็มีอะไรได้กลับมาได้อะไรมันก็มีเสียพอได้แฟนปั๊บก็ต้องเสียสารภาพไปแล้วจะทำตัวเป็นเหมือนตอนเป็นโสดไม่ได้นะจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้จะไปก็ต้องขออนุญาตก็ต้องบอกเขาก่อนถ้าเขาไม่อยากให้ไปก็ไปไม่ได้ มันมีได้มีเสียไม่ว่าเราจะทำอะไรยังให้เรารู้จักมองเวลาเสียก็พยายามมองส่วนที่เราจะได้เวลาได้ก็ให้คิดถึงส่วนที่เราจะเสียเผื่อจะได้ไม่อยากได้ถ้าได้แฟนมาแล้ว เ, เดี๋ยวต้องกลายเป็นกระสอบทรายนี่อยากจะเป็นั้มอยากจะได้แฟนไมไม่มีอยู่คนเดียวดีกว่าไม่เจ็บตัวอยู่กับแฟนเขาตัวใหญ่กว่าเราเขามีกาลังมากกว่าเราเดี๋ยวเกิดไปทะเลาะ ก, กัน พอเขาลงแรงเราก็แพ้เขาวะเราก็เจ็บตัวเปล่าๆการคิดอย่างนี้บ้างอย่าไปคิดแต่ได้อย่างเดียวไม่มองคิดส่วนที่เสียในเวลาเสียก็อย่าไปมองส่วนที่เสียอย่างเดียวมองส่วนที่ได้บ้างมันเท่ากันอะชีวิตเราไม่ได้ไม่เสียหรอกได้เท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นเสียเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นให้มองอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจคาถามจากคุณไมเคิลค่ะ เราควรจะแก้อย่างไรถ้าเราให้หายเกลียดคนคนหนึ่งทั้งทั้งที่ใจเราไม่ได้อยากจะเกลียดเจ้าค่ะก็หัดอยู่กับเขาบังคับให้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆ อ, อ, อยู่ใกล้ชิดกับเขาต่อไปมันชินกันมันก็รักกันได้เองที่เกลียดก็เพราะว่าเราไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาพอเราหัดต้องอยู่ใกล้เขาต่อไปมันก็รักกันได้ วเวลาเวลามันจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันอยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันก็รักกันเองคำถามจากคุณจันภาเวลาอยู่ในสังคมมีโอกาสเจอเรื่องดีและร้ายจะทำอย่างไรให้จิตเป็นปกติเหมือนไม่มีเรื่องราวใดๆครับก็อย่าไปหวังอะไรจากสังคมที่เราไปหวังจากสังคมมันก็เลยดีใจเสียใจเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียก็เสียใจ ถ้าเราไม่หวังอะไรจากสังคมเราก็จะไม่เสียใจไม่ดีใจเฉยๆก็ทําสมาธิไงทําสมาธิแล้วเราก็จะมีความสุขในตัวเราเมื่อเรามีความสุขในตัวเราเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสังคมไม่ต้องไปงานเลี้ยงไม่ต้องไปงานแต่งงานไม่ต้องไปงานศพไปอะไรทงสิน้น อ, อยู่ของเราเข้าสมาธิไปอย่างเดียวใครจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะแต่งงานใครจะ อะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามจากคุณปรานีค่ะเวลานั่งสมาธิพอจับลมหายใจได้ทำไมมันรู้สึกว่ามันแรงดูลมเข้าออกอย่างนี้ไม่มีสติใช่ไหมเจ้าคะอ่ถ้าไม่มีสติจะไปรู้ได้ยังไงมันมีสติรู้ก็รู้ไปมันแรงก็รู้ว่ามันแรงหายใจเข้ามันหยาบก็รู้มันหยามันละเอียดก็รู้มันละเอียดมันแรงก็ก็หยาบมันเบาก็ละเอียด ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมเพราะว่าร่างกายของเราบางเวลามันก็หายใจแรงบางเวลามันก็หายใจค่อยใช่ไหมคนที่ตรวจความดันนี่หมอเขาไม่ให้ตรวจทันทีเวลาเวลาออกกำลังกายเสร็จมาให้ตรวจความดันก็ไม่ได้ตอนนั้นร่างกายมันมันทำงานมากทำงานแรงลมหายใจมันจะเร็วมันจะแรงเดี๋ยวถ้าให้นั่งพักสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเบาลง อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายเราแล้วแต่ว่ามันทำอะไรอยู่พอมานั่งใหม่ๆมันจะรู้สึกหายใจแรงแต่ถ้านั่งไปนานๆสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันจะรู้สึกว่ามันเบามันเบาลงไปก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดว่าทำไมมันถึงแรงทำไมมันถึงค่อยมันเรื่องของร่างกายที่เราไม่ต้องไปรู้ขอให้รู้มันยังหายใจอยู่ก็แล้วกันถึงแม้ว่าไม่หายใจก็รู้ว่ามันไม่หายใจ ถ้าเรารู้เราไม่เดือดร้อนไม่มันจะตายก็ให้มันตายไปยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายสักวันถึงเวลาถึงเวลามันก็ต้องอยู่ทาหายใจคําถามจากคุณกัญญรันอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาลูกพิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่มีตัวไม่มีตนจนจิตใจมันปล่อยว่างแล้วหน้าที่ของภรรยาของลูกเนี่ย ต้องจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่ไหมเจ้าคะอหน้าที่ก็หน้าที่เรื่องปล่อยวางก็เรื่องของปล่อยวางมันคนละส่วนกันยังมีหน้าที่ถึงแม้จะปล่อยวางร่างกายก็ยังต้องเลี้ยงมันอยู่ถ้ามันยังถึงเวลากินก็ต้องกินแต่ไม่ได้กินแบบมันอยากกินเหมือนเมื่อก่อนหน้าที่ก็ทำไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปคำถามฝากถามค่ะ การปฏิบัติธรรมลดกรรมเก่าได้ไหมคะไม่ได้ลดกรรมใหม่ได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังไม่ไปทํากรรมนั่งเฉยเฉยนั่งสมาธิไม่ไปพูดไม่ไปทําอะไรก็จะลดกรรมไปกรรมใหม่แต่กรรมเก่าก็ยังมีอยู่เท่าเดิมกรรมเก่าก็ต้องใช้ไปพอกรรมเก่าหมดก็จะไม่มีกรรมที่ต้องใช้ต่อไปหมดแล้วแหละหมดครับอาจารย์ เนี่ยกรรมเก่านี้เราไปทําอะไรไม่ได้แล้วเหมือนหนี้เก่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วจะบอกให้เขายกยกหนี้ให้นี่มันไม่ได้ไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนเขายอมหนี้เก่าก็ต้องใช้ไปแต่อย่าไปสร้างอย่าไปสร้างหนี้ใหม่ถ้าไม่สร้างหนี้ใหม่หนี้มันก็จะไม่มากขึ้นหนี้มันก็จะมีแต่น้อยลงถ้าเราผ่อนหนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนี้ก็หมดเองหนี้เก่าก็จะหมด การปฏิบัติธรรมนี้เป็นการหยุดกรรมเพราะเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ไปทํากรรมอะไรนอกจาก mm hmm. เลียงดูร่างกายเราเท่านั้นเองเราจะไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครไม่ไปทําบุญทํากรรมกับใครเราก็จะไม่มีบุญไม่มีกรรมกับใครคําถามจากคุณทัญวันค่ะเมื่อเรารับเวทนาจากผู้อื่น เราจะรู้สึกได้ค่ะทำอย่างไรจึงจะต้องจึงจะไม่ต้องรับเวทนาที่เข้ามาค ะ, ะก็เราไปรับเข้ามาเองก็เดี๋ยวเราไปอย่าไปรับรู้สิพอจะเข้ามาเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธกันมันไว้ให้ใจเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่ไปรับรู้เรื่องของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นก็จะไม่เข้ามาสู่ใจของเรา คำถามจากคุณป๋อมแปมค่ะเคยได้ยินว่าการที่คนเราเกิดมาเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันมารู้จักกันแสดงว่าชาติที่แล้วเคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาจึงไหมคะก็เราเกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วทุกคนเนี่ยมันก็ทงจะมีโอกาสเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรกันมาก่อนนะ เหมือนกับเราเล่นละครหลายหช่องเนี่ยเล่นช่องสามเล่นช่องเจ็ดเล่นช่องสี่เดี๋ยวก็ต้องไปเล่นเป็นพี่เป็นน้องกันบ้างเป็นเพื่อนกันบ้างเป็นคู่ศัตรูกันบ้างเห็นไหมดูดาราที่เขาเล่นตามช่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเ้าก็ย้ายช่องใช่ไหมได้จากช่องเจ็ดมาช่องสี่ช่องสามพอเ้าย้ายมาเดี๋ยวก็มามาเล่นกันใหม่เราก็เป็นเหมือนดาราเราก็ย้ายช่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยชาตินี้ก็ช่องหนึ่งล้เดี๋ยวชาติหน้าก็ไปอยู่อีกช่องหนึ่ง เดี๋ยวก็ไปเจอญาติเก่าที่อยู่อยู่ช่องนั้นเขาย้ายไปช่องนั้นเร า, าย้ายตามไปเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกงั้นเราอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาอยู่ทั้งมาเจอกันเนี่ยเพราะว่ามันชอบกันไงเป็นพี่เป็นน้องมันชอบกันชอบทําอะไรเหมือนกันชอบฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันก็เลยมาเจอกันอีกกดข้ามประจานั้นให้มองว่าทุกคนนี่ในอดีตอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรกัน นั้นพยายามรักกันเหมือนที่เหมือนน้องเป็นญาติกันให้มีความเมตตาต่อกันอย่าไปมีศัตรตูกับใครเพราะมีศัตรตูมันเป็นไฟมันเอาไฟมาฟเผาใจเรามีมิตรนี่เหมือนมีน้ําทิพมาชะลมใจเวลามีมิตรสบายใจไหมเวลาเจอเพื่อนฝูงเจอมิตรนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเวลาเจอศัตรตูเป็นไงโอ้ยน้อนเป็นไฟขึ้นมา ทำไมชอบทำให้ใจเราร้อนทำไมไปสร้างศัตรูขึ้นมาเองอย่าไปโกรธไปเกลียดใครให้อภัยเขาไปใครทําทำอะไรก็คิดว่าเขาไม่มเหมือนคิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกก็แล้วกันเด็กทารกเวลาทําอะไรเสียหายเราไปโกรธเด็กไหมเราไม่โกรธมันหรอกเพราะมันไม่มรู้ภาษีภาษามันทำช่วยช่วยชามแตกเราไปโกรธไหมแต่ถ้าพอผู้ใหญ่ทาช่วยช่วยชามแตกนี่โกรธเขาขึ้นมาทันที ก็มองเขาว่าเขาเป็นเหมือนทารกไม่มีสติเหมือนทารกออหรือถ้าโกรธโมโหภูมิไฟทําข้าวของแต่ก็เหมือนทารกอีกละนั้นใครทําอะไรเสียหายก็คิดว่าเขาเป็นเด็กเป็นทารกก็แล้วกันแต่ว่าร่างกายเขาจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเขาก็เป็นเหมือนเด็กเอถ้าเรามองทุกคนเหมือนทารกเราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครจะเมตตาสงสารเขาหมดแล้วเหรอหมดครับคุณ แผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนที่นั่งไหว้ผ้าสวดมนต์ตอนนั้นไม่ได้แผ่ก็ได้ไหมตอนนั้นกําลังสวดการสวดไม่ใช่เป็นการแผ่การแผ่ต้องมาเจอกันเวลาเจอกันเอาขนมมาแจกกันนี่แหละแผ่เมตตาแนละ้วเอาเงินมาแจกกันวันนี้วันเกิดอยากจะทําบุญก็เลยเอามาแจกคนละร้อยสองร้อยอย่างเงี้เรียวกว่าแผ่เมตตาเพราะคนที่รับเงินเขามีความสุขม嘛 วเวลานั่งสวดมนต์แล้วแผ่ไปถึงเขาก็มีความสุขก็ปะ่ะเขาไม่รู้ว่าเราแผลใช่ไหมเนี่ยเรานั่งอยู่ที่บ้านเราสวดไปคิดถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้ว่าฉันแผ่เมตตาให้เธอแล้วนะเขาได้รับปะ่ะได้รับอะไรอะเมตตาอยู่ตรงไหนอยู่ที่คําสวดอ่ะไม่ใช่เมตตาอยู่ที่กายวาจาใจของเราอยู่ที่การกระทําของเราเวลาที่เราเจอเขาเวลาเจอเขาเราหน้าบึ้งใส่เขานี่เราแผลเมตตาปะ่ะใช่ไหม เวลาเราเจอก็เรายิ้มทักทยายก็ถามเขาเป็นยังไงสบายหรือเปล่าวันนี้มีของมาฝากจ้าแล้วก็จะดีใจหรือเปล่าก็าจะมีความสุขหรือเปล่านี่แหละคือการแผ่เมตตาไม่ทราบใครสอนให้แผ่เมตตาแบบไปนั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวก็ไม่รู้อันนั้นไม่ได้แผ่อันนั้นเป็นการสวดการสวดแผ่เมตตาก็าจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นการฝึกทําสมาธิเข้าใจะให้บ่า การสวดบทแผ่เมตตาหรือสวดมนต์บทไหนก็ตามเป็นการเจริญสติเป็นการทำใจให้สงบไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเพียงแต่ใช้บทแผ่เมตตามาเป็นอารมณ์เท่านั้นเองจะแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่เราพบปะกันไม่ใช่เดี๋ยวคืนนี้จะสวดมนต์ให้แล้วพวกนี้จะบอกญาติโยมว่ามาคืนนี้ถ่เมตตาให้โยมโยมได้รับหระะือเปล่าไม่ได้หรอก ทำไมมันต้องแผ่อย่างตอนเนี้แผ่เนี่ยแสดงทำให้ญาติโยมเนี่นก็แผ่เมตตาแล้วให้ความรู้ให้ธรรมะให้ธรรมทานการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงดีกว่าให้ขนมจากขนมกับคชาจกธรรมะอันไหนจดีกว่ากันขนมก็ทําให้ท้องอิ่ม น, นั่นเองแต่ใจไม่อิ่มแต่ให้ธรรมะแล้วใจอิ่มใจสุขกว่าน ยังให้ขอให้เข้าใจเรื่องการแผ่เมตตาเราต้องมีเมตตาต่อกันเวลาเราอยู่ร่วมกันพบปะกันทําอะไรร่วมกันให้ระมัดระวังให้ใช้ความเมตตาเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันให้อภัยกันถ้ามีการผิดพลาดจะทําอะไรก็อย่าให้เขาเกิดความเสียหายทางร่างกายและจิตใจอย่าทําร้ายร่างกายและจิตใจถ้ามีอะไรเหลือก็เอามาแบ่งกัน เนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาหมดได้ยงังหมดแล้ววันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอให้ท่านทั้งหลายนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดห้ามถามนะกายมาถามต่อไม่ได้นะ